การแผ่เมตตาแบบเจาะจงนึกถึงใบหน้าผู้รับชัดเจนถ้ามีกำลังมากพอวิญญาณก็ถูกปลุกจากสภาพพวังรับความช่วยเหลือได้การแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลผู้เสียชีวิตในข่าวจะได้รับไหมและต้องระบุเจาะจงไหมการแผ่แบบไม่เจาะจงถึงสรรพสัตว์ทั้งหลาย จะได้ประโยชน์แก่นิสัยทางจิตของเราและเหล่าวิญญาณที่สามารถรับรู้แสงสว่างอันเกิดจากการอุทิศของเราได้แต่การแผ่แบบจาะจงนึกถึงใบหน้าผู้รับชัดเจนจะเป็นทิศทางพุ่งตรงไปถ้ามีกำลังมากพอวิญญาณก็ถูกปลุกได้แม้จากสภาพผวังไม่รู้เหนือรู้ใต้อยังกรณีข่าวดังแบบนี้ในที่นี้คือขาวกราดีิงศูนย์เด็กเล็กนะครับ จิตวิญญาณผู้ตายมักได้รับความช่วยเหลือล้นหลามมีผู้บำเพ็ญบุญทั้งระดับทานศีลและปัญญาภาการอุทิศให้ทั้งประเทศคิดเป็นกำลังบุญมหาศาลประมาณไม่ได้เราเจาะจงอุทิศก็เท่ากับเป็นสายน้ำเย็นอันสว่างสายหนึ่งไหลรวมกับมหาสมุทรน้ำใจไปถึงเขาเช่นกันนับว่าบุคคลกลุ่มนี้มีบุญเก่าช่วยไว้ให้ไม่ต้องลาบากเพราะมีคนคิดอุทิศบุญแบบนี้หลายแสน กำลังความสว่างเหลือเฟือช่วยได้จริงหมายเหตุผู้อ่านขอเสริมแง่คิดไปอีกสักหน่อยนะครับในกรณีข่าวดังรากยิงเด็กนั้นขอยกบทความของคุณดังตรินที่เคยทำเป็นเสียงอ่านไว้แล้วเกี่ยวกับการแผ่เมตตาให้วิญญาณเด็กที่โดนฆ่าเห็นว่าเข้ากับสถานการณ์ได้อย่างดี น่าจะมีประโยชน์กับทั้งคนเสพข่าวและผู้เสียชีวิตมากที่สุดนะครับเพราะถ้าได้ดูคอมเมนต์จากสื่อโซเชียลต่างๆนั้นจะเห็นได้ว่ามีแต่อากุศลจิตมหาศาลเกิดขึ้นพร้อมกันจำนวนมากเนื้อหาส่วนหนึ่งจากตาสว่างรัตนดุลตอนที่207นะครับภาพข่าวที่เราเห็นมันแค่นี้แต่ภาพที่เราไม่เห็นคือชีวิตหลังตายนั้นยังมีอีกมาก อย่าเอาโรงเกลียกคนร้ายเป็นตัวตั้งให้แปลกความสงสารเด็กมาเป็นกุศลคือน้อมนึกถึงความดีที่เคยทำจนใจเป็นสุขและแผ่เมตตาเพื่อความสุขในใจอุทิศส่วนกุศลให้กับเด็กเพราะเด็กที่ตายทรมานจะหลงทางนานและกล่าวหรือนึกในใจดังนี้กองบุญได้ที่ข้าพเจ้าประกอบแล้วในชาตินี้ขอจงมีอนิสง ช่วยดลใจให้วิญญาณของเด็กน้อยรู้สึกถึงความสว่างความเย็นและความสุขเท่ากับข้าพเจ้ากำลังรู้สึกด้วยเถินเป็นเนื้อหาท่อนหนึ่งจากตาสว่างรับุรุณตอนที่207รอขอนำมาย้ำอีกทีละกันนะครับซึ่งความจริงวิธีนี้ก็ใช้ได้กับทุกครั้งที่เราเห็นคนตายในภาพข่าวทุกวันนะครับการแผ่เมตตาจะได้ผลจริง สำคัญที่สุดต้องเคยทำบุญไว้ก่อนจะเป็นทานหรือศีลหรือปัญญาคือเจริญสติเองน้อมนึกถึงบุญระลึกถึงภาพในสิ่งที่เคยทำไว้จนใจสว่างเป็นสุขที่ตัวเองก่อนและจึงแผ่สุขไปให้คนอื่นการแผ่เมตานั้นไม่ใช่การส่งความสงสารไปให้นะครับแต่คือการแผ่ความสุขไปให้หลายคนยังเข้าใจผิดมาคิดว่าการแผ่เมตตาคือการขออย่ายให้มามีเวรต่อกัน ข อ, อย่ามาเบียดเบียนต่อกันกลายเป็นสวดหรือน้อมจิตเพื่อหวังผลถึงตัวเองไปซะอีกคือหลักของการที่บอกว่าอย่ามามีเวรต่อกันนั้นก็เพียงเพื่อปรารถนาดีต่อเขาไม่อยากให้เขาทําบาปทํากรรมไม่ใช่หวังเพื่อไม่ให้เขามาทําร้ายเรานะครับจิตเวลาสงสารให้ดูว่าจะเป็นทุกข์ใจเสมอซึ่งจิตแบบนี้คือโทสะเป็นอกุศลจิตควรปรับให้เป็นเห็นใจ เอาใจช่วยขอให้เขาผ่านทุกนี้ไปได้โดยไวด้วยใจที่เป็นอุเบกขาคือวางใจสงบนิ่งเป็นกุศลที่ดีที่สุดก็คือประคองจิตให้เป็นกุศลด้วยการแผ่เมตตาที่ถูกต้องจึงจะดีกับทั้งคนเป็นและคนตายรวมถึงช่วยเหลือเท่าที่จะช่วยได้ถ้าจะวิจารณ์ก็คือแนะนําขึ้นนําไปแก้ไขไม่ใช่ด่าเพื่อสาปใจอย่างเดียวนะครับการโกรธสาปแช่งเกลียด ไม่ได้ทำให้ใครได้บาปเพิ่มขึ้นยังไงเขาก็ต้องรับกรรมที่ได้ก่อไว้อย่างสะสมแต่ขณะที่โกรธเกลียดเราสร้างบาปสร้างอากุศลจิตให้ตัวเองมีวิบากเป็นทุกข์ฝังลึกในใจหรือที่เรียกว่าปฏิคานุสัยอกุศลจิตมีมากสะสมไม่มากเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ดึงดูดคนไม่ดีเข้าหาได้ง่ายเมื่อล้อมรอบไปด้วยคนไม่ดีสิ่งไม่ดีก็ตามมาดิสารพัดนะครับ และขณะที่ทุกคนเศร้าปานจะขาดใจโกรธเกลียดรุนแรงความสงสารจับใจล้วนเป็นทุกขทางใจเป็นอกุศลจิตแม้่คิดถึงใครด้วยอกุศลจิตโดยเฉพาะคนตายจะมีผลเหนี่ยวรั้งไม่ให้เขาไปดีโดยง่ายและอาจพลอยทุกข์ใจพี่ด้วยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิจิตของคนตายด้วยนะครับเปรียบเทียบง่ายๆเวลาเห็นใครเศร้าถ้าหากเราไปนั่งใกล้ๆแม้เขาไม่บอกเดี๋ยวเราจะรู้สึกหดหู่ขึ้นมาเอง เกี่ยวกับคนเป็นทำร้ายคนตายได้อย่างร้ายแรงในเชิงลึกยังมีอีกมากติดตามเพิ่มเติมได้กับเสียงอ่านชุดใหม่คือชุดโลกทิพย์ที่กําลังจะจัดทํานะครับเป็นหนังสือที่ดีมากเหมาะกับการศึกษาให้เข้าใจหลักกรรมได้เป็นอย่างดีเป็นชุดที่ต่อมาจากเรื่องแววเสียงสวรรค์แต่เป็นหนังสือที่ต่างชาติและเป็นคนนอกศาสนาเขียนจากการติดต่อทางวิญญาณซึ่งเล่าเรื่องชีวิตหลังความตายไว้เนื้อหาหลักส่วนใหญ่นั้นตรงกับหลักในพระไตรปิฎกอย่างไม่น่าเชื่อทั้งที่ท่านเหล่านั้น ไม่เคยศึกษาคำสอนของพุทธมาก่อนสําหรับมาเหตุที่แท้เข้ามานั้นขอยกข้อความทั้งหมดนั้นมาย้ําว่าอีกทีซึ่งอาจจะช่วยสะกิดใจบางท่านได้ไม่มากก็น้อยเพราะปัจจุบันสื่อสังคมโซเชียลมีเดียนั้นทุกคนเข้าถึงได้ง่ายกระตุ้นให้เกิดโทสะหรืออกุศลจิตได้ง่ายกว่าสมัยก่อนมากการวางจิตให้ถูกต้องจะเป็นสิ่งที่ดีกับทั้งคนเป็นและคนตายเปพร้อมกันและดีต่อสังคมในภาพรวมด้วยนะครับ ซึ่งพระไตยปิฎกก็สอนไว้นะครับว่าภัยพิบัติแม้แต่การได้ผู้ปกครองไม่ดีเกี่ยวเนื่องกับความดีความชั่วของคนในสังคมส่วนใหญ่อย่างไรก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้พิจารณาเพิ่มเติมด้วยนะครับ